อยากนิพพานอย่างไรเป็นฉันทะอย่างไรเป็นตันหาเมื<ะ>่อเข้าใจความแตกต่างระหว่างตันหากับฉันทะในเรื่องราวหรือกิจทั่วๆไปแล้วล<ะ>ก็จะเข้าใจด้วยว่าความยินดีพอใจความต้องการหรืออยากนิพพานในกรณีใดเป็นตันหาในกรณีใดเป็นฉันทะ เมื่อบุคคลฟังธรรมเกิดความเข้าใจมองเห็นโทษของกิเลสว่าโลภะโทสะโมหะทำให้จิตใจคุณมัวเศร้าหมองเป็นเหตุให้ทำกรรมชั่วต่างๆก่อความเดือดร้อนทั้งแก่ตนและผู้อื่นถ้ากำจัดกิเลสเหล่านั้นได้แล้วจิตใจจะสงบผ่องใสมีความสุขไม่มีความเร่าร้อนกระวนกระวายดังนี้เป็นต้นแล้วก็มองเห็นคุณค่าของความปราศจากกิเลส ความมีจิตปลอดโปรง่งสงบผ่องใสนั้นว่าเป็นภาวะดีงามจิตใจของเขาก็ยินดีโน้มน้อมโอนไปหาภาวะนั้นอาการอย่างนี้คือสิ่งที่เรียกได้ว่าฉันทะภาวะที่มีฉันทะอย่างนี้ในบาลีท่านใช้ว่าอภิรมะคืออภิรมหรืออภิรัตคือยินดีในนิพพานบ้าง อภิปัฏฐนาคือปรารถนานิพพานาบทบ้างปรารถนาโยคคเกษมธรรมบ้างจัดเป็นภาวะจิต ท, ที่เป็นกุศลและเป็นคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุนิพพานดังบาลีในกุทธการนิกายสุตตานิบาตเรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นนิพพานาภิรัตคือผู้ยินดีในนิพพาน ในสังยุตตานิกายสกาทวรคว่าคนผู้ยินดีในนิพพานย่อมหลุดพ้นจากสรรพทุกในอังคุตรนิกาชจการนิบาทว่าภิกษุผู้ไม่มัวเพลินงานไม่มัวเพลินการคุยการนอนการคลุกคลีการคิดฟุ้งผันพิศดานชื่อว่าเป็นผู้ยินดีในนิพพานละสั ก, กยะเพื่อทำความจบสิ้นทุกได ในอังคุตระนิกายจากานิบาศว่าภิกษุผู้รู้จักข่มจิตในเวลาโคนขมรู้จักประคองจิตทำจิตให้ร่าเริงและเพ่งดูเฉยในเวลาที่ควรทำเช่นนั้นเช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้ยินดีในนิพพานสามารถบรรลุนิพพานได้ในกุตการนิกายสุตานิบาศว่าผู้ปรารถนานิพพาน จึงจะดำเนินชีวิตได้ด้วยดีในโลกอยู่ไหนไปไหนก็เป็นไปด้วยดีทรงสอนภิกษุผู้ปรารถนาโยคฆ ะ, ะเกษมธรรมในมัชฌิมนิกายมูลปันนาฏทรงสอนให้ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้มากด้วยปราโมทปรารถนากเกษมธรรมคือนิพพาน แต่ถ้าคิดอยากได้นิพพานอยากบรรลุนิพพานหรืออยากเป็นผู้บรรลุนิพพานโดยนึกขึ้นมาทำนองว่านิพพานเป็นภาวะอย่างหนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งหรือสถานที่แห่งหนึ่งอันน่าปรารถนาซึ่งตนจะได้เข้าไปครอบครองเข้าถึงหรือเข้าไปอยู่ในความคิดนั้นจะมีความรู้สึกหรือความเห็นซ่อนแฝงอยู่ด้วยว่านิพพานนั้นจะอนุยสุขเวทนาให้ตนได้เสพสวย หรือว่าเป็นภาวะนิรันดรที่ตนจะได้คงอยู่ยั่งยืนตลอดจนกระทั่งว่าเป็นที่ขาดศูนหรือตัวตนจะได้หมดสิ้นไปเสียทีความยินดีปรารถนาหรือต้องการนิพพานในกรณีเช่นนี้จัดว่าเป็นตันหาและจะเป็นอุปสรรคขัดขวางการบรรลุนิพพานแม้ความอยากเป็นพระอระหันต์ก็มีคติอย่างเดียวกัน อันหนึ่งความตอนนี้ชวนให้สังเกตเห็นอาการหรือลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่างฉันทะกับตัณหากล่าวคือฉันทะต่อเนื่องกับการกระทําโดยตรงเป็นความพร้อมหรือเตรียมตัวที่จะทําการหรือจะเข้าไปหาสิ่งต้องการซึ่งมองเห็นประจักษ์อยู่ในเวลานั้นพูดได้ว่าฉันทะเป็นส่วนหนึ่ง หรือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการกระทํานั้นทีเดียวโดยเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทําหรือเป็นการเริ่มที่จะลงมือทําส่วนตันหาเป็นความปรารถนาในสิ่งที่เสมือนว่าตั้งอยู่ห่างออกไปในที่ของมันเองแห่งหนึ่งตัางหากจากตัวผู้ปรารถนาขาดตอนจักรันตันหามีความเข้าใจเพียงมมัว มองเห็นสิ่งนั้นไม่ชัดเจนเพียงแต่วังที่จะได้รับผลที่ต้องการจากสิ่งนั้นแล้วก็หาทางที่จะให้ได้สิ่งนั้นมาหรือเข้าครอบครองเสพสวยสิ่งนั้นอัตถกถาดีกาบางแห่งคือวิสุทธิมักและอภิธรรมัตถสังคหาดีกาแสดงมติว่าตัญหา เป็นความปรารถนาอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงเสมือนการที่โจรเหยียดมือออกไปในที่มืด